ญาติโยมทุกถุกคนตั้งใจฟังในขณะนี้ก็ตีสี่ยี่สิบสามนาทีเนี่ยการทำวัดเ้าวั น, นี้ก็ทาเป็นเพียงหัวข้อกันจั้นเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิตใจของพวกเราให้พวกเราได้นึกได้คิดคำานึงอยู่เสมออย่างที่เราสวดว่าขันติคือความอดทนเป็นธรรม เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเลยเราเราก็ต้องให้รู้จักว่าเราอดทนต่อแดดต่อฝนต่อลมต่อฮอนต่อหนาวอันนั้นเป็นการอดทนสิบนึองดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสอนว่าสอนคนงโง่ให้สลาดมันเป็นเพียงหัวข้อแล้วก็สอนคนที่กำลังยังทำผิดอยู่นั่นแะ ให้กลับคืนมาให้ทําให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเพียงหัวข้อและสอนคนที่กําลังยังมีทุกข์อยู่นั้นให้ทุกข์ลดน้อยไปเลิกหมดไปอันนี้เป็นเพียงหัวข้อถ้าหากคนมีปัญญาฟังแล้วพิจารณามากุ้งมากอย่างที่คนงโง่นั้นบุตว่างโง่บโบได้เรียนหนังสือสเกียนหนังสือโบได้อ่านหนังสือโบเป็นนั้นโง่ อันนั้นก็ทุกอยู่แต่บดเฉพาะเท่านั้นแล้วที่ว่าคนที่บูรุษจักการทํามาหาจินบ่มีเงินบ่มีทองบ่มีพักบ่มีพวกอันนั้นก็ไม่ใส่งโง่อย่างนี้แต่อันนั้นก็ถูกอยู่คือกันคาว่าโง่ในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดกันใกล้ๆก็เรียกว่าโง่หลง โทสะโมหะโลภะยังเกิดขึ้นถ้าหากคนสลาดแล้วโทสะโมหะโลภะบวกเกิดขึ้นเพเอิ้นคนสลาดอย่างนั้นความสลาดในที่นี้บุเรศสลาดทางหาเงินหาทองโง่กับบุเรว่าโง่ถึงว่าบุมพักบุบีพวกบุเรศโง่ถึ ง, งสั้นคือความจริงสอนกันสั้นเพื่อให้ทุกคนเอาไปแก้ปัญหาตัวเอง ถ้าหากผู้ใดยังปล่อยให้โทสะโมหะโลภเกิดขึ้นทำลายในชีวิตจิตใจของตัวเองนั้นคื่ว่าอย่า ง, งโง่ลงอยู่อย่างบุหจักของจริงหลง ก, ง, ก ง, กงกับโง่กับหลงเนี่ยมันคล้ายๆกันจะมันใกล้กันที่สุดหลงอย่างเป็นทั้งสันถ้าโมโงโมหลงตนบมลืมตัวแล้วมันก็บสบายคน พระพุทธเจ้าสอนให้คนหมดทุกข์คือให้สบายนี่เองบัดนี้คนที่กำลังทําผิดอยู่นั้นพระพุทธเจ้าสอนทำให้ถูกต้องคือเฮายังทำผิดอยู่หลายอย่างโมเมนต์ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นกะแมนอยู่อันนั้นกันเนมันน้อยเกินไปมันแคบเกินไปคาว่าทำผิดนั่นหมายถึงเราบูรุษจากวิธีที่กระทําดูจิตดูใจของเราคือเราบรู้ เรายัางทำผิดไปรักษาศีลไปทำกรรมฐานไปเจริญวิปัสสนาก็ตามอันนั้นสวดอย่างลงผิดอยู่ขันแก้ปัญหาอันนี้บ่ใดแม้จินับไม่เห็นเมทใส่ในท้องมาหาสมุทรสะเลพุนให้ครบให้จบให้พ้นทุกเดดอันนั้นก็นยั ง, งโง่หลงอยู่ถ้าหากมองจากวิธีที่มาทำทางจิตทางใจนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาที่นี่ที่หลวงพ่อว่าให้ฟังเดี๋ยว น, นี้เพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นมีจุดหมายปลายทางให้พวกเราทําให้มันถูกต้องอันนี้เพิ่นว่าอย่างสันสอว่าถ้าทํามูถู ก, กัืเอว่าทําผิดเพิ่นว่าเอิ้นว่าคนทําผิดและเพิ่นสอนพยายามให้ทําถูกต้องกา ร, ทรเทพพระพุทธเจ้าสอนให้ทําถูกต้องนท่านบอกว่าให้มีสติ รู้การเคลื่อนไหวภายนอกเส้นเคลื่อนไหวโดยวิธีแต่ก็ให้รู้นี่เพ่นบอกอังสิคนบอให้ไปภาวนาอันอื่นมากแล้วก็ให้มีสติรู้ความคิดของตัวเองคือมันนึกมันคิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็มาสอนเอาบทนี้เพียงว่าเพราะว่าจิตใจได้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นวันอย่างนั้น อันนี้พระสอนอย่างอื่นนั้นเพื่อนสอนมาแล้วมันยังทำผิดอยู่มันเน่ ว, วต้งเพร่ะนยังสอนให้คนทำสั้นๆอึดใจเดียวทำได้เนว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างใดสันทุกนั่นจะลดน้อยไปเป็นว่าเพราะว่าโทสะโมหะโลภะนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นพอเราดูสภาพลภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจ ดูสภาพุภาวะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันทำย่างที่หลวงพวสส่อว่าสู้ฝั่งเดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโมได้กำหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่าเป็นพระสงฆ์จึงปฏิบัติได้บุไดวาเป็นคลาวาสญาณโยมปฏิบัติบุไดบุไดวาคนถือศาสนานอื่นปฏิบัติบุไดของกบฏว่าหรือคนไทยคนจีน ผู้ใดบ้เดชถือศาสนาพุทธปฏิบัติโบ้ได้สงฆ์กว่าตลอดคนฝรั่งเศสคนอเมริกาพวกที่บรเดชถือศาสนาพุทธหรือคนเออิน่วยุโรปประเนพวกนีาพอุู้จักหรือเชนกันแถบเอเชียแถบยุโรปคนว่าขิ่นบรเดชกำหนดกฎเกณฑ์งสัตให้ว่าคนชาติใดภาษาใดถือศาสนาใดก็ตามนุ่งผ้าเสีอไหนก็ตาม ต้องมีสิ่งที่รบกวนนั่นคือโทสะโมหะโลภะนี่แหละมันมารบกวนชีวิตจิตใจของเขาบวชเป็นภาพเป็นเดนมันก็รบกวนได้มีเงินไลายๆมันก็รบกวนได้เรียนหนังสือมากๆมันก็รบกวนได้ให้ว่ามีอำนาจซื้อเสียงเกียรติยศมันก็รบกวนได้ทั้งหมด่ถึงว่ามันบรยกเว้ข่าทั้งหมด บุไวยน่าเวตาข่ทั้งหมดเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่เ่ราะนังว่ามันทำชิดบัด น, นี้บดเป็นพระทรงมันก็ย้างก็กลัวถ้าหุจักวิธีสกัดกั้นมันไว้ได้เป็นคารวะญาติโยมมันก็ยัางก็กลัวใคร่าถือศาสนาใดมันก็ย้างก็กลัวถ้าหากมันยัางมันกลัวแล้วก็แสดงว่ามันเข้ามารบ ก, กวนได้ยาก เมื่อมันบูมารลบกวนเขาแล้วก็แสดงว่าเขาได้เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแล้วเขาพยายามนำข่มลูควมสาัดที่เขาเคยศึกษาเขาได้ยินได้ฟังมาหรือเขาได้ปฏิบัติบัรเทาใดอันนี้มาว่าต่อคนอื่นให้มันขยายวงกลวงออกไปดังนั้นผู้ได้พูดขวมจริงซึ่งท่วานี่แหละอันนั้นเสื่อเป็นการเคยแพคาสอนของพระพุทธเจ้า ให้จะเลยให้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นวนานนั้นดังนั้นเพณิยังสอนเอาไว้ว่าผู้ใดมีคมรู้พอปานใดให้สอนพอปานนั้นหรือขนาดใดให้สอนขนาดนั้นสอนเนื่อจากคมลูกของเราไปบุไดเป็นวันดังนั้นเพร่อจะว่าคนสามัญธรรมดานี่แหละรู้จักธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระทรงองค์เจ้าเนี่ยรู้จักธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า รู้จักธรรมะคาสอนของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนธรรมดาผิดไปจากธรรมดาไปแล้วเพราะว่าโบแมนขันว่าภาษาบ้านเขาเรียกว่าคนบ้าถ้าเป็นบ้าแล้วที่เป็นคนดีได้บ่มันก็ดีโบได้เป็นว่าคนบ้าบ้า น, น้อยนึงกะผิดไปผิดจากปกติไปแล้วผิดปกติไปแล้วที่เป็นคนบ่โบแม็นคนแล้วอที่เนี่ยพอวานี่เนี่ยคนต้องให้รู้จักคน และให้รู้จักคุณค่าของความเป็นคนให้รู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองถูกต้องเป็นว่าอย่างสั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อจึงสอนเอาไว้ว่าพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องอาศัยบริษัทธ์ยิ่นว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เองทําให้เจริญให้ก้าวหนะ้าก็ไม่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เอง วันนี้ทําให้จิบหายหรืออันตรธานตายนังกะโบมีผู้ใดมีแต่ภิกษุภิกษุนุบาสุสอวักอิการนี่เองทําให้เสื่อมสูญเนี่ยทำให้อันตรธานหายไปนั้น่ะแล้วเราได้ทําหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วบอกหรือว่ายังถ้าหากเราโบได้ทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องนั้นก็ซื่อว่าเราอย่างโบทานันปิดคุณอันที่อย่าพอวานี่เพราะพระพุทธเจ้าคนระบุลงไปถึงคุณ ผมไม่เนสนระบุไปแต่นอกๆนี้ะนั้งคนนี่เกิดกับคนก็ต้องรู้จักคนแล้วกับพ่อแม่เขากเป็นคนเนียปู่ย่าตาโทษเขาเป็นคนเนียแค้งขาหน้าตามือเท่ามันเป็นคนเจ๊ใจคุณแบบนี้คุนวาน่าอาชีพว่าเป็นคนก็นได้คนนั่งจริงบุรู้จักตัวเองบุรู้จักคุณค่าของความเป็นคนและบุรู้จักหน้าที่ของตัวเองจะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ ดังนั้นคนพูดเช่นนั้นเสวะบุรู้จักบุญบุรุษักคุณตัวเองเมื่อบุรุษจักบุญบุรุษจักคุณตัวเองแล้วก็บุรู้จักบุญจักบุรุษจักคุณของพ่อของแม่บุรู้จักบุญจักคุณของพี่ของน้องบุรู้จักบุญบุรุษจักคุณของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ที่สุดบุรู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้าอีกด้วยแล้วคนประเทศนั้นที่ถือว่าคนบ่บุญเป็นคนอันนั้นคนว่าบุญเปนคน เพร่งจะมาวิปัสสนานี่จึงว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมเหมือนนเป็นว่าอันพระพุทธเจ้านั้นเพิ่นบุได้เป็นตุนป็นโตบุได้เอารูปร่างไปว่าเขาเคยได้ยินได้ฝังอยู่ว่าพระวรกลิกสอบพระพุทธเจ้าลักพระพุทธเจ้าบุาเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ขณะหนึ่งหรือวินาทีนึงกับอยู่บุได้คิดทอดคิดถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไปว่าพระวรกลิศ อันนี้บวชใช่พระพุทธเจ้าอันนี้วัดสัมมันเป็นวัตถุสดิดหนึ่งมันบวชจเป็นวัตถุธาตุเป็นเป็นวัตถุสดิดหนึ่งอันนี้พระวักกลิกอยางเห็นพระพุทธเจ้านั่นดีแล้วอันนี้ตายเป็นบ๊นตายเป็นเน่าเหม็นไปบนเน่าเหม็นเป็นพระวักกะิกตายเป็นบ่อตายเป็นเน่าเหม็นไปบนเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นก็คือกันนั้นแล้ววัตถุจริงในธาตุจริง อันพระพุทธเจ้านั้นคันตายเป็นเนาเหม็นเป็นที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ทำมาพระวระกลิกเกอรมีความสนใจขึ้นกับพระพุทธเจ้าโอ้นี่บุแม่พระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าตัวจริงอยู่สิได้ส่วนบูหุจักว่าโบได้พระพุทธเจ้าจะหนี่ไปให้พ้นพระวรกลิขนีไปจากการปุงแต่งบุญแม่ไรพระวรกลิขนี่จากวัดยังที่เขายอยู่สำนักทัพนิ่งขวดเนี่ยนี่จากทัพนิ่งขวดนี้เสนอเพิ่นโบได้ บ, บอกนะท่ัน พณนบอกว่าห น, นีไปจากสังขารปรุงแต่งนี้หนีไปให้พณภพระวรกฤติคนนั้นถ้าหากบนหนีจากสังขารปรุงแต่งนี่กลมีทุกข์มันรบกวนอยู่อย่างซสียเป็นวายอย่างตังนพนระวรกฤติกะได้สติดูจิตดูใจตัวเองดูสภาพการเคลื่อนไหวตัวเองบวงให้สังขารปรุงแต่งแล้ววกกลับขึ้นมาเกิดเจ้าวายอย่างซียก็ได้โอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างเสียหนอหุ่นจกัก เลยเห็นพระโพธิ์เจ้าอยู่กับพระวกรกลิอยู่ใสกระยู่ได้แบบนี้ทําการทํางานได้ดังนั้นรูธรรมะจริงรูแล้วก็ต้องเปิดเผยเพราะจะมาเปิดของที่ปิดไว้ให้คนเห็นให้คนได้ดูได้ชมง่ายของที่คั่วหน้าอยู่นั่นแหละออกมาให้คนได้หูได้เห็นหรือพูดอีกอย่างนึงว่าเกี่ยวรถหรือเกี่ยวอยากก่างกระซางน่ะที่มันหันแน่นอยนู่น่ะพยายามมากเกี่ยวนั้นออก ให้มันหลวมหรือให้มันเอาออกได้จะเป็นวานสัตย์จะมาเป็นหน้าที่ของเขานี่เองเป็นหน้าที่ของพระสงเป็นหน้าที่ของญาติคงโยมปฏิบัติให้จเจริญในก้าวหน้าถ้าหากผู้ใดรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักว่าหน้าที่ตัวเองรู้จักว่าตัวเองต้องปฏิบัติอย่างนี้อันนั้นแหละซื่อว่าเขาไกด์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นคือร่างกายเดบโอมนัน คือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์คําว่าจิตใจสะอาดเันหมายถึงอัะไรจิตใจสะอาดก็คือตัวธรรมศาสตร์ของจิตใจนั้นมันบริสุทกปรงจิตใจสว่างนั้นคล้ายๆคือเขาใส่ไฟเขาไปใส่มาแต่ยิบเหยียบดักเหยียบต่อยิบหลงขู่หลงคล้องถาไปเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะคือเขาไปเมื่อสวยนี่แหละบนได้มันเป็นเปิ้เป็นตุ่มกอนล็กกะเว้น คนอิญจิตใจสว่างใจิตใจสงบใจิตใจของเหา่ามันเป็นดังสีอยู่คือเหานั่งอยู่เดี่ยนี้นี่แหละมันจะเป็นดังสีอินใจิตใจบริสุทธิ์อั น, นมันจะเป็นดังซีอยู่มันเระโบได้ไปคุกคีกับเมียอันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็มันุกคุมอันนี้ซสิว่าให้อันนี้แหละแสดงออกหน้าที่ของมันมันก็เลยโบดได้แสดงพอเห่าไปหลงตนลืมตัว เพื่อจะว่าสัญญาความมายรู้จาได้สมมติว่า <c oughs> <c oughs> ให้ตัวสัญญาตัวนี้แหละทําหน้าที่ของมันจริงจริงเพื่อว่าอันนี้เพื่อว่าจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใส่สมมติมันคำว่ากันมันเป็นเพียงคําว่าเนี่ยจิตใจนั่นคือมันสะอาดอยู่เลยมันพ้องใส่จิตใจว่องไวแบบนี้สามารถที่จะมองเห็นอันใดมันสกิดใจเขาก็เห็น เขากะฮู้เพราะว่าจิตใจวองไหวตัดสินลงไปทูกต้องหรดอันจิตใจซาซาในคนเอินคนเงอะหรื อ, นะอคนซา้าคนจ้าคนโง่คนบอสลาดมันมารวมอย่จุดนี้เพราะจิตใจมันมืดบอดอยู่เด็มันโบมีสว่างมันโบวองไหวมันโบาสามารถที่จะมองเห็นอันไดได้จึงไปจับผิดคนนั้นไปจับผิดคนนี้ตัวเองทำผิดเลยโบรู้สึกตัวนั่นหลวงพ่อเป็นอย่างสัน้น หลวงพ่อพูดนี่พูดในเรื่องหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดเรื่องคนอื่นบุเป็นเคยให้ทานเคยรักษาจิตมาคันผู้ใดบวให้ทานกับว่าจิตใจบกวกล่วงขววงเน็จรักษาสิ้นมากับผู้ใดยังโอหกพูดเท็จอย่างทนายศิษย์สุวรรณนั้นบุตีเหรอเนี่ยเข้าใจอย่าง ต, ตัวเองเป็นเลยบุรู้จักเมื่อตัวเองบุรู้จักบุญมีความสว่างไผนะ่ในจิตใจแล้ว เอว่าเรายัา ง, งโง่หลงอยู่ทางนั้นดังนั้นท่านพระพเจ้าสอนัสอนซ้ำๆรัดๆให้ทุกคนเอาไปใส่ได้คาสอนของพระเจ้าโบ ก, กําหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่าอยู่จังไดกินจังไดเพื่อว่าเ อ, อยู่อย่างต่ํากินอย่างตั้มนั่งนอนอย่างตั้มแต่ทํางานอย่างสูงและหมายถึงอันใดถึงญาณโยมนั่นแหละอยู่อย่างต่ําทําให้ทํานาทําโคทําสวน กินย่างต่้มอ่หาเองกินเองนอนย่างต่้มันบุได้นอนฟูกนอนเบาบุได้นอนเตยงแต่ทํางานย่างสูงพูดแต่เรื่องคําสอนของพระปิยเจ้ายู่ย่างสูงแต่ทํางานย่างต้มอ่ะเนี่ยแล้วก็จะสุดตกใจเลยพวกเข า, เาว่ายฟังซือถ้าส่งองค์เจ้านี่แหละเขาบุได้ซื้ออาหารบรุได้ซื้อญาตโยบถวายให้เนี่ยว่ายู่ย่างสูงเนี่ยกินย่างสูง แต่ทำงานอย่างต่ำมันหมายถึงลึกนะไม่หมายถึงตื่นตื้นๆน้พระปริญญาเป็นสอนแล้วเขาเนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาได้ตวดดูตัวเขาถูกต้องแล้วด้วยอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเขาเป็นหน้าที่ของเขาทําอันไรเขาได้กวดคันว่ากวดในบ้านอน่ยเพราว่ากวดเอาต้งเที่ยงคันว่าพรรษาสมัยเพราะว่าตวจตาแต่เน่ยเพราะว่าโบปินเพราะว่าเรื่องหันลิ้นหันปากเนี่ยนุ่พอบบเคย อย่างนั้นจึงว่าการบวชนี่ยคุณค่าของการบวช น, นมากที่สุดบุญมากที่สุดแต่แบบนี้ถ้าหากว่าเฮ็ดผิดแล้วก็ บ, บาปมากที่สุดหนักโงญาดโงโยมเพิ่งยังเปรียบไว้มหาโจรที่เลวที่สุดในโลกอันนักบวชได้เป็นมหาโจรเนียมหาโจรที่เลวที่สุดในโลกดาบหมกในายกิวอนภิกสูลามกสันดานนกกา หมาที่เลื่อนขนเปียกลงไปงูเปื่อนขี้สมัยบ้านหลว่อเรว่างูเปื่อนขี้คันวาวาตาภาษาเป็น ง, งูเปื่อนอุจจาระไปฏิวางแทนเจือลูกนอกคอผู้อยู่นอกบันซีตาซาถีดิบน้ำติดกะลาล่างเท้าไม่ใช่คนของเรางูเปื้อนขี้นี่เขาเห็นบอกเพเห็นแล้วเขาบ่กไดู้้จากนะงูนี่สม ม, มติมันตกอยู่ในซ้วมอุจจาระออื แล้วเขาส่งสารงูไปเอางูที่เอางูออกจากซ่วมเอาเสื้อค้องเสื้อหยั่งมันขึ้นมามัดคอมันขึ้นม า, ม, นน ม, ามันบกัดเขาได้พอดีดึงขึ้นมาแล้วมันจะออกหน่อคอมึงเลยเอาขามแกงวิดเอา้าชี้มันจะทึ้เขาหลดุดชี้ติดมันมานะมันจะทึ้งเขาหลดุดอันนี้เพร่ะเอองูเพื่อนขีเพื่อยาคบคนซัวนี่แหละเพื่อนว่าอย่าคบเพื่นว่าเพื่อยังอาเสบันนาจ่าพาลานังพาลาแปลว่าคนโง่ คนพาณบันติตานั่นจะคนเอื้นบันติเอื้นหนักป่าคันถ้าคนพาณิินเล่าเมาสุลาอ่าจินกันซาเฮโรอินนอนตามถนนหนทางคนประเทศนั้นคนพาณิายนอกระดนั้นบนนี้ใ่คนพาณิชย์ภายใ น, น, นมันจึงมีเป็นสั้นเป็นลืบไว้คนพาณิภายในนี่คือโทสะโมหโลภะ มารบกวนจิตใจเขาเป็นเอื้อนคณผานอันนี้เป็นเอื้อนอันขผัผานเพป่นวันยังไงบัณ น, นี้บัณฑิตานันจะอันบัณฑิตผู้ศึกษาเล่าเรียนมาเรียนนักทำโทรทำเอกเป็นมหบมหาหรือเรียนไฟโลกก็ได้ปริยาตีปริญาโทรปริยาเอกเป็นเอื้นอนดอกเตอร์เป็นอันนั้นก็เป็นบัณฑิตภายนอกเน้ยังโบเป็นบัณฑิตภายนในเป็นบัณฑิตภายในคือยัง ันว่าตามภาษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พจน์สอนกับวัตสติสมาธิปัญญานี่เองเป็นบัณฑิตว่าอย่างที่เห็นพว่านี่ว่าสันสัคือความรู้สึกตัวเองนั่นเองเป็นบัณฑิตความบรู้สึกนั่นแหะคือคนถามเนยมันตรงกันข้ามอยู่อย่างสีดังนั้นจึงว่าคนถานก็นมีอยู่ที่เหา่าบัณฑิตก็มีอยู่ที่เหา่าเมื่อผู้ใดรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ เพิ่งก็เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาจริงว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วรับรองได้คำพูดคำสอนแม้จะทำอยู่ใส่ก็ไดโบต้องว่าไปศึกษาอันนั้นอันนี้ให้มากอย่างที่เนี่ยพอวาหลายเสือแล้วว่ะเป็นนับเม็ดหินเม็ดทรายอยู่ในท้องมหาสมุทรทะเลอยู่เพิ่นคบทุกเม็ดคัญยมาแก้ปัญหาอันนี้บแรกก็ยังเป็นคนผ่านอยู่ยังเป็นคนงโง่อยู่ เพราะว่ามันเป็นการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจเขาพี่เด้ขัดใจเนี่ยไม่พอใจเนี่ยเอาว่าขัดแย้งอยู่ภายในตัวมันเองตัวมันเองมันแสดงมันขัดแย้งในตัวมันเองเมื่อมันขัดแย้งอยู่ในตัวของมันก็ซื้อว่าคุนพานเป็นบัณฑิตวเดชที่ย่าพอมาเตือนพวกเขามาประชุมกันข้างแล้วนี่ก็ได้ประชุมกันก็วางหัวข้อไว้หลายอย่าง เขาก็รู้สึกว่างานอันนั้นเขาก็ทําให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างทีพอซัดเม่ดอกไม้อจุมซีไอสุ้ยมาเป็นหัวหน้ามู่กัว่าเมนุพ่อรวบรวมไปดูได้เนี่ยคือเป็นประธานเป็นกรรมการรองกรรมการแล้วก็เป็นอะไรเลขานุ ก, การอะไรก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเขาเพื่อนฟูงเฮายู่ใส่เข า, าขที่ทำยังไงอันนี้เป็นการปรึกษากันย่อยๆอันนี้ที่หลวงพ่อวาน บัณ น, นี้พระส่งองค์เจ้าเหาก็คือกันเขาต้องรู้จักเคารพนับถือตัวเองแล้วเขาจะฮห้ยังไดหน้าที่ของเขาทิว่าต่อยาตโยมอย่างไดจึงว่าญาติโยมจึงจะบทเสียหลักบทเสียทางนี่เขาโบได้ทําหน้าที่ของเขาอันนี้เพื่อว่ากินย่างสูงนอนย่างสูงแต่ทํางานย่างต่ําอันบัณฑิตญาติโยมทําหน้าที่ถูกต้องว่าอยู่ย่างต่ำกินย่างต่านอนย่างต่ำแต่ทํางานย่างสูง มันคิดตรงกันข้ามอย่า ง, งนั้นนี่ที่ยอย่าพอวานบอกไม่ว่าทําการทํางานเฮ็ดไทยเฮ็ดนาะอันนั้นเรื่องนึ่งอันนงานที่เราควรทํำนี่คือการทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำแทนพระพุทธเจ้าเด้เขาเคยได้ยินได้ฟังอย uh ู่เขาพ่อแม่ครูบาจจอาจารย์เราให้ฟัง เ, เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดตระลุปเป็นพระอราหันต์มาแล้วปวาลรุปกาสสิวกนุณ ไปโปดเอาพวกอิตาปุสะพระฤาษีสองพี่น้องกับบัามาว่าเอาพวกปัญจวัคคีย์ต่างหากคืปัญจวัคคีย์ต่างหนี่เห็นพระพุทธเจ้าทิแรกทำอิทธิกับโบเลื่อมใส่พอได้ฟังพระพุทธเจ้าว่าเศาร์สะก้อนหุดสะกอนน้อนตั้งใจฟังสะก้อนนะท่นเมื่อตั้งใจฟังเราเกิดเข้าใจโลดุดแห่ฮาก็คือกัน ครูบาอาจารย์เทพธรรมบอลื่อให้ย <alı> uh ังเขาต้องเงียบฟังสะกอนอย่าเกี้ยวปากเกี้ยวเมาไว่าไถเทศกระทำสร้างไปเทศไปทำยุ่ใส่กระามฟังสะกอนยาวาพร้อมกันนัดสองคนสามคนคันว่าเจ้ากระวาเพรากระวามันก็ลืมตัวเขาแล้วเขาก็ไปมุ่งแต่ข่มเมาคนเนี่ยเมื่อพระเจ้าบาเสือพวกนั้นก็ตั้งใจฟัง อั ญ, ญคนทัญยะเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระเดียบุคคลส่วนสามสี่คนนั้นบอดได้ดวงตาเห็นธรรต้องเจริญวิปัสนาเนี่ยเพิ่งวางอัญโยชนทัญยะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบินทบาตมาให้พวกนั้นกินเพราะว่าต้องการให้มีพักมีพวกให้มาทําหน้าที่ของเขาพอดีพวกนั้นได้เป็นพระเดียบุคคลแล้วเ พ, เพืาอไปไปเผยแพร่ที่อันเหาหู้เหาเห็นเหาเข้าใจนี่แหละ ให้บุคคลที่โบรู้นั้นได้รู้บุคคลที่โบเข้าใจได้เข้าใ จ, ใาใจบุคคลซึ่งที่โบเคยได้ยินใน้ฟังนั้นให้เขาพยายามว่าให้ข้เจ้าแล้วปรกฏว่าแยาไปนำการส่องคนให้ไปผู้เดียวเดชกานไปนำการส่องคนแล้วมันน้อยครับเราจิบไปทางนี้ให้พวกเธอไปทางนั้นพระรพุทธเจ้าเป็นสอนแล้วเขาทําแล้วว่ารื่องบนให้ได้ทําถ้าหากเขายังไม่ได้ทําก็แสดงว่าเขายังไม่ใช่คน อยาสโ้รหาวะเนี่ยพอว่ะปวอลอย่างสีวอลบ้าให้มันด่ากันทางอ้อมมาสิบ่แมนเล้บ่เป็นเนี่ยพอด่าบ่เป็นห้เนี่ยพอว่ายเลยเน่าพ่อว่าด้วยความจริงใจเนี่ยพ่อไปทางใดเย่าพ่ออยากว่ายด้วยควมจริงใจเน่ยไปจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเราให้มาถ้าหากไปจับผิดคนอื่นนแสดงว่าเขานี่ลงตนลืมตัวอยู่แล้วบม่ได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วบ่รู้จักบุญคุณของความเป็นคน รู้จักคุณค่าของครมเป็นคนให้ว่าเธอเป็น่าปฏิบัติตัวเองบดบุกแล้วกั บ, บรู้จักคุณค่าของบิดามารดาบรู้จักครรมนับถือพ่อแม่ไอ้น้องหรือประเทศชาติบ้านเมืองคนแบบนั้นจิถือว่าคนบอกเล่าให้ฟังอยู่ทุกมือทุกวันกับบดจด บ, บันจัก็จิถือว่าไม่คนบอบว๊วยแม น, น, น, นแมนอยู่ดังนั้นเพื่นว่าเสือศาสตร์เพื่นว่าพ่อแม่เคยไว้ให้ฟัง จะเป็นซาดเป็นเสื้อก็ตามหากโบเอื้อเฟื้อเดีวก็คือเสื้ออยู่ในป่าเอาสันเป็นวามันตรงกันข้ามอยู่เสมอโบเป็นซาดเป็นเสื้อก็ตามหากเอื้อเฟื้อเอาใจใส่เพื่อนเหมือนเนื้อตาหมาอันเป็นวายนี่เป็นวายองนั้นเขาเนี่ยโบเปนเสื้อเม่นซากกันอยู่คนละบ้านคนละอำเภอคนละจังหวัดเมื่อมาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็พยายามพูดเรืคนจริงให้ฟังเพป็นว่ายเป็นซาดเป็นเสื้อเป็นเนื้อเป็นนังอันเนึ้ออันเดียวกันเพนบัดนี้ลูกหลานกระทำฟัง ไทยก็ตามเนี่ยพะว่าสุดๆคาว่าโบเสือฝังแล้วอันนั้นกับโบเสื้อไม่เสื้อไม่ทราบโบไม่รูกไม่หลาบไม่ยั่งจีแมนไม่ยั่งทําลายได้นะผู้หนึ่งฟืน้นผู้นึงดึงเน่ให้ว่าผู้นึ่งพยายามแก้ผู้นึงพยายามมัดโบไม่ทราบบไม่เสื้อไม่ยั่งกันทำลายกันอันนี้เพิ่นว่ามันตรงกันข้ามเหมือนขาวกับดําเหมือนมืดกับสร้างวางหรือนหนักกับเบากันว่า งานทำงานทำการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นว่าขี่เหือลําเดียวกันพายเป็นอย่างสะดวกขันที่เหือลําเดียวกันเพิ่นเพิ่นว่าีกตืมใน้ัหนี้ไม่ท่อกระโบท่อพายกระโบพายเอาจีนลาน้ำไว้กลัวมันจะไปไหวเนี่ยเพิ่นกระว่าโบแมน้นอั่นมันขัดขวางมันเป็นนโยบายอันนึงเจ้าคนบู้รู้จักหน้าที่ของคนถ้าหากรู้จักหน้าที่ของคนแล้วช่วยขันท่อช่วยกันพาย ด้วยการแก้ไขเหอเราบอดด้มันหัวมันสีล้มที่จมเขาก็จิกก็อัดก็ย่าเป็นวันสั้นแต่เขาเฮ็ดแล้วบอกเรื่องเขาบอดดี้เฮ็ดไ่ได้ถามเหอถ้าหากเขาบอดด้เฮ็ดได้ทถามื่อก็ซื่อว่าเขายัางพัรู้จักคุณค่าของคนเป็นคนและบุได้รู้จักหน้าที่ของคนและบุได้ปฏิบัติหน้าที่ของคนจะเป็นคนบอกังสัน่นบุแมนบุเป็นคนถ้าบุเป็นคนและแม่ยังสั่นเพราะว่าคนบุรู้จักอาย คนบุรุษจักอายบุรุษจากอายเพื่อเปรียบใส่ใส่กันเปรียบกับสัตว์แต่แข้งขาหน้าตาบุรุเท่านี่เป็นคนอยู่ใจใจเป็นสัตว์ใจเป็นสัตว์และจิมมเกอรเป็นคนได้มันกรบโบมาได้แล้วคนมันก็เป็นสัตว์แปลงสันแล้วพระจะเอื้นหูทิพตาทิพอันหูทิพตาทิพย่างอย่าพรวาเนี่ยหมายถึงเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจ เห็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของชีวิตพุ่นพอไดเอื้นตาทิพย์เอื้นหูทิพย์ผู้ใดว่าวผิดไปจากนี้คนเอื้นหูทิพย์ผู้ใดมีหูทิพย์จึงฝังถูกวะผู้ใดบ่มีหูทิพย์ฝังบุถูกผู้ใดมีตาทิพย์จึงเห็นผู้ใดบ่มีตาทิพย์บ่เห็นคนเอิ้นว่ายงานงานเข้าไปรู้ว่าสันปรวนบ่ไม่งานที่ห่อไปเนี่ยไง แล้วยานต้องการว่าเนยยานน่ะเป็นพาหานะคนส่งเพ่นเอิญทางตันแล้วเขาไปตีคมหมายทางตันมันหลายอย่างวะดังนั้นในประเทศอินเดียนะจะมีหลายระดีหลายนิกายผู้ใดชอบธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าผู้ใดชอบธรรมะอาจารย์แตก็ต้องไปหาอาจารย์นั้นเพิ่นบวชหาพระพุทธเจ้าแต่เพิ่นไว้ฝังซึ้งเ<ส>มืองไทยแล้วก็หลายครูหลายอาจารย์หลายครูสอน สอนสมถะสอนกรรมฐานสอนนิพพานหลายคูหล่ะอาจารย์ถ้าหากผู้ใด ม, มักอาจารย์แต่ก็ต้องไปหาอาจารย์นั้นมันจึงจะโบเสียเวลาของเขาดัางนั้นคันท้าเขาสอบเขามาักเขาก็ต้องมาต้องไปหาผักพวกของเขาคนบวับวห้าบาวจีไม่냐อย่าพอว่านี่คือการอย่าพอบวับวห้าบจวจำผู้ใดทั้งหมดยุกกะได้นี่ก็ได้มาก็ได้บัวมาก็ได้เอาไปปฏิบัติก็ได้เอาไปปฏิบัติก็ได้มันเรื่องของแต่ละคน